พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านนะคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่22กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าไม่เที่ยงไม่ศูนย์ไม่ควรประมาทวันนี้มีเวลาจำกัด อาตมาภาพคงจะไม่ได้แสดงทำมเทศนายาวนานจะพูดรวบรัดเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เมื่อแสดงธรรมจบแล้วจะมีหนังสือแจกเล่มหนึ่งที่พิมพ์ออกมาล่าสุดตั้งชื่อว่า ทางแห่งปัญญาจากปัญหาธรรมหนังสือเล่มนี้ถ้าอ่านดูแล้วจะมีคติธรรมน่าศึกษาอย่างมากคือองหลวงปู่วัดโผที่สมพรเนี่ย ว, วัดแห่งนี้แหละที่เป็นเจ้าคุณธรรมเจดีแล้วก็ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่มั่นโูริทัตโตและก็มีปัญหาธรรมที่ท่านถามกันอย่างไร เป็นปัญหาธรรมที่ท่านถามตอบกันแบบลึกซึ้งมากถ้าหาว่าผู้ที่เคยปฏิบัติทางจิตภาวนามาแล้วจะเข้าใจได้ง่ายและก็คติธรรมคำสอนของหลวงปู่ดุลอตุโรอันนี้ก็เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตอบปัญหาธรรมโดยหลกตามหาบุญชนะสัมปันโน อีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ตอบปัญหาธรรมหลวงปู่ล่าเขมมาปโตอีกองหนึ่งสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้มีอยู่ห้าพระอาจารย์ถกปัญหากันถ้าหากว่าเอาไปอ่านเอาไปศึกษาอัธมาภาพมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจไฟในธรรม เมื่อแสดงธรรมจบแล้วก็คิดว่าคงจะแจกหนังสือเล่มนี้ให้กับคณะสัายญาติโยมผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วต่อนนี้ไปอาตมาจะอาตมาภาพจะได้แสดงธรรมนะโมตัสสะปะขาวโตระหะโตปะมาเดนะัมปาเดทาติติก วันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวสังเวทเนยกถาในงานของหลวงปู่พระอุรมยานโมลีอดีตเจ้าวาดวัดโที่สมพรแล้วก็วันนี้มีท่านาปรลัดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านะวัดชัยไทยเขียว แล้วก็ท่านที่สองพลตำรวจโท น, ดนพดลเผือกโสมนผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านที่สามท่านกเกษมมูลจันทร์อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติมีท่านผู้ใหญ่มาจากทางกรุงเทพแล้วหลายๆที่พวกมาเป็น หมู่คณะวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเราจะแดงออกซึ่งความกตัญญูกะแตบเวทิตาต่อองคหลวงปู่เพราะหลวงปู่เป็นปูชนิยบุคคลที่อาตมาภาเบ่งยกเป็นเบื้องต้นว่าปู่ชาจะปู่ชนียานั่งบูชาบุคคลที่ควรบูชาองคหลวงปู่ของเราเป็นบุคคลที่ควรบูชายิ่งเพราะท่าน บวชมาตั้งแต่สมณเณรจนถึงอายุถึงร้อยสีปีท่านก็พึ่งละสังขารไปเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานทั้งหลายจึงแสดงออกซึ่งน้ำใจแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะในสรีระสังขารของท่านแต่ทราบว่าก็มีกำหนดการขึ้นมาคร้าวๆแต่ยังไม่ชัดเจน คงจะมีการพระราชทานเพลิงในช่วงเดือนพฤษภาแต่อาตมาภาพฟังแล้วก็อึงเป็นช่วงที่เหมาะสมถ้าเมษาในจะจะร้อนเกินไปถ้าพฤษภาปลายกว่านั้นไปก็จะมีอากาศฝนเพราะนั้นขอฝากไว้กับเปล่าประสงคนก่อนเรืศรัทธาญาติโยมทกุทกทุก่านได้รับรู้รับทราบเป็นคข้าวๆไว้ก่อน แต่นี่ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ในกะไว้ในช่วงนั้นจึงขอพระราญทานเพลิงนะั้นองค์หลว ง, ลงปู่ของเราเนี่เป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตายาธิโยมทุกท่านที่ได้มาทำการวะของหลวงปู่ถือว่าพวกเราน้อมคารวะแสดงออกถึงซึ่งน้ำใจแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงปู่ของเรา ถึงจะท่านทำคุณูปการมากมายขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งอย่างทีเนี้ยหลวงปู่ก็ต้องปล่อยวางต้องละทิ้งท่านปล่อยวางทั้งหมดพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่แพ้กันเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ตั้งจุดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเอาไว้หลวงปู่เป็นตัวอย่างต้องบวชแต่เป็นสัมมาณี แต่ก่อนที่เมื่อบวชเป็นสัมมเนตเสร็จแล้วเมื่อเป็นสัมมเนตแล้วนะท่านก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่และก็เป็นพระก็มีคล้ายๆกับมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันกันกบปุถุชนคนทั้งหลายพอถึงช่วงหนึ่งท่านก็อยากจะลาศิกขาเหมือนกันนะหลวงปู่ของเราแต่ท่านไปเจอหลวงปู่มั่นที่วัดสุดทธาวาสหลวงปู่มั่นได้ แนะนำบอกกล่าวและก็แนะนําให้ท่านปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาจากนั้นมาท่านก็ประทับใจในแนวธรรมคาสอนของหลวงปู่มั่นท่านจึงได้อยู่ได้ประพฤติปฏิบัติมีจิตใจมั่นคงเนี่ตั้งแต่คราวนั้นครั้งนั้น เ, เป็นต้นมาอันนี้ท่านก็เคยพูดให้ฟังนี่นะนี่วแนวแถวของหลวงปู่จากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติมาจนาได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ ได้เป็นฝ่ายปกครองคณะสงฆ์จนถึงเป็นเจ้าคณะภาคเนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่ถึงท่านจะรับผิดชอบขนาดไหนข้อตามอีกสักวันหนึ่งหลวงปู่ก็จะต้องปล่อยประละว่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเวกเราถึงจะรับภาระขนาดไหนรับผิดชอบขนาดไหนข้อตาม อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องปล่อยปะละวางเหมือนกันอันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธญาติที่ท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่อาตมาภาพเร่กล่าวย้ําท้ายว่าขยัวยธรรมมาสังขาราอัปมาเดนะซัมปาเดทาติขอให้ท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพุทธะเพราะนั้นขอให้พวกเรายึดแนวแถวของพุทธะว่าพวกเราจะตั้งจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของพวกเรามาถึงปุนนี้แล้วอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องถึงคราวอาวสานหรือคราวจุดจบ แต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านตรัสว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้น่าศึกษาน่าศึกษาน่าค้นคว้าน่าติดตามเออแล้วก็จะศึกษายัางไงติดตามยังไงในหลักธรรมคำส อ, สอนของพุทธออท่านบอกว่าเ อ, อ่อที่จะติดตามหรือที่จะรู้ไหวรู้ได้ว่าตายแล้วเกิด ตายตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่ศูญหรือตายแล้วศูญจะพิสูจน์อย่างไรแต่ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านบอกว่าตายแล้วไม่ศูนยญในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะพิสูจน์อย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าให้นั่งสมาธินั่งสมาธินับทำอย่างไรนั่งสมาธิคือคือนั่งจะนั่งอย่างไรก็ได้แต่ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวของเราเอง แต่ถ้าหากว่าตาให้นั่งให้ถูกตามสูตรตามจิตจาลักษณะหรือตามธรรมคาสอนของพุทธะนั่งสมาธิก็อย่างพระประธานในที่ท่านนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก ไม่คิดไปในอดีตที่ผ่านมาเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนไม่คิดอนาคตวันพุ่งนี้มรืนนี้ไม่คิดให้จัดใจในความรู้สึกใจในความรู้สึกให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่ปลายจมูกกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนาสั่งสอนสิทธินุสิ์ของท่าน หลวงปู่ม่านท่านบอกว่า่ถ้าหาว่ากาหนดแต่ลมหายใจเข้าออกจะทำให้หลุดหลงได้ง่ายเผลอได้ง่ายหลงเงื่อนได้ง่ายหลงลืมได้ง่ายเพราะนั้นให้บริกรรมสำทับพดโธขอด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโธแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตดรัสรู้ท่านเพียงแต่กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านไม่ได้บริกรรมพุทธโธเพราะท่านยังไม่ได้เป็นพุทธะแต่พวกเราในฐานะสิทธิาณุสิ์ของพระพุทธเจา้าองคหลวงปู่มัน่ถนว่าให้บริกรรมพุทธโธด้วยครนี่แหละในเมื่อเราบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธจิตจากนั้นใจของเราจะไม่ไปทางอื่นจิตใจจะเน่งรวมสงบสงบสงบลงเรื่อยเพราะจิตใจเราไม่คิดถึงอดีตอนาคต เมื่อจิตใจรวมของเรารวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละอย่างกันเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านจึงยกเป็นพุท ธ, ธภาษีว่ามโนปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสถามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจอันนี้แหะคือหลักพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนามเมื่อเรารู้แล้วแต่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าอาตมาภาพเองก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเพราะทุกวันนี้เราใช้รถใช้รถไปที่ไหนก็นั่งรถะจะเดินออกขยับไปที่ไหนก็ใช้รถเพราะนั้นหลวงอาตมาภาพจึงเปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับรถ แต่จิตใจของคนเราเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่นี้ถ้าว่าเราเมื่อจิตใจของเราอยู่ในความสงบอยู่ในสมาธิดีแล้วเราจะรู้ได้ดัวตัวเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันเมื่อร่างกายแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลงไฟเอาไปเผาไฟเอาไปฝังดิน แต่นามธรรมคือดวงใจคือใจดวงนั้นะ่ะจะออกจากร่างไปไปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่างๆอันนี้ลหละพวกเราถ้าหากว่าเราได้ศึกษาในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาแล้วเราจะยอมรับกันทั่วหน้าอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าตายแล้วไม่สู่แน่นอนเพราะเหตุใดเพราะอยากจะรู้ก็ให้ทาจิตใจให้สงบ จิตใจให้เป็นสมาธิเมื่อจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเน่นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะจตหายาติโยมทุกๆ ท, ท่านอยากจะศึกษารลุดเรียนรู้หรือค้นคว้าหลักของพุทธศาสนาไม่ต้องถามใครถ้าศึกษาตามปกติจะเรียงจะศึกษาจะประมาณการอย่างไร ไม่มีใครรู้ทั้งหมดนอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้น่หลักธรรมคำสอนพระ พ, พุทธองค์ท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยากจ ะ, จะ พ, พ, พิสูจน์อยากไม่เชื่อยังไม่เชื่ออยากจะพิสูจน์ก็ทำตามที่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวเอง เพราะนั้นเมื่อรู้ได้แล้วจะทำยังไงเราแต่เราก็ต้องประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราจะไม่คิดเราจะไม่ทำเราจะไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราคิดทำพูดสิ่งที่มันไม่ดีกรรมที่มันไม่ดีการกระทำของเราที่มันไม่ดีจะตามสนองเนะเพราะนั้นจะว่าในหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทปาติโมก ต่อภิกษุทั้งหลายว่าตัคตังลุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปติลุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทํำเฉลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกศาสนิกชนทุกถูกทัน ให้ฝังเอาไว้นี่ลือคือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธวันนี้อาธมาภา พ, าพได้กล่าวสังเวทนิยกถาเพื่อบูชาพระคุณวองหลวงปู่ที่ยกขึ้นเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมมาสังขาราก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาคำว่าปูชาจะปูชนียานัง บูชาบุคคลที่ควรบูชาคือองค์หลวงปู่ของเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งเพราะท่านพร้อมด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของกุลบุตรสุดท้ายภายหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรที่เป็นศิษ ย, ย์ญาติศิษย์ตลอดถึงทุกท่นานศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาเกี่ยวท่องในองคหลวงปู่เราจะเห็นจริยาวัดขององคหลวงปู่สวยงาม แล้วก็ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวท่านไปนสถานที่ใดท่านก็แสดงทำให้แก่สิทธิอนุสิทธิทั้งหลายฟังนี่แหละอันนี้ก็คือปูชาจะปูชนียานะังขยะวะยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างที่อตมาภาประยศพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าพุทธภาษิตคำนี้พระองค์พระพุทธเจ้าตรัสในขณะที่พระองค์จะปรินิพาน ในวันเดือนหกเพนเป็นวาจาครั้งสุดท้ายเป็นวาจาที่พระพุทธองค์ตรัสขณะที่จะปรินิพานพอตรัดคานี้เสร็จแล้วออพระองค์ก็ไม่ตัดคาอื่นอีกเลยทาการปรินิพานใครว่าเป็นคาที่สั่งเสียในพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านนะเออพราะว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็พร้อมกันก็ให้ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ให้ประกอบคุณงามความดีบําเพญ็ญคุณงามความดีบําเพญ็ญบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประโยชน์คนอื่นก็ให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ก็ให้ช่วยช่วยดูแลซึ่งกันและกันนี่แหละคือหลำำักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้เหตุว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนารายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพบุญบา ร, รมีของหลวงปู่ของเราขอให้มาคุ้มครองคณศจายญาติโยมลกหลานพระเนนทุกองจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวัง ดังปรารถนาะทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเธิน